เรื่องยาที่สุดของคนหนึ่งอาจธรรมดาสำหรับอีกคนตัดเหตุผลที่เป็นคำพูดออกไปคุณจะพบว่าเรื่องยาที่สุดก็คือเรื่องที่ทำให้คุณฟุ้งซ่านยืดเยื้อที่สุดชีวิตจะมีอะไรดีจะต้องฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาต่อให้คนทั้งโลกเห็นคนมีดีแค่ไหนเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านเตลิดไม่หยุด คุณจะมองไม่เห็นอะไรดีสักอย่างทุกอย่างขวางหูขวางตาไปหมดไม่ว่าจะของนอกตัวหรือในตัวต่างคนให้นิยามเรื่องแย่ที่สุดต่างกันเรื่องยย่ๆของคนหนึ่งอาจธรรมดาสำหรับอีกคนแต่เมื่อตัดเหตุผลที่เป็นคำพูดออกไปคุณจะพบว่าเรื่องแย่ที่สุดก็คือเรื่องที่ทำให้คุณฟุ้งซ่านยืดเยือเย้อที่สุด เรื่องใดดับความฟุ้งซ่านของคุณได้เรื่องนั้นจึงดีที่สุดในชีวิตเพราะมันกำจัดเรื่องแย่ที่สุดออกไปจากชีวิตคุณได้อะไรดับความฟุ้งซ่านได้เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นดีกว่าทรัพสมบัติที่มีอยู่ในมือวันนี้และดีกว่าความรุ่งโรจน์ที่คาดหวังไว้ในวันหน้าวันนี้ถ้าอ่านธรรมะข้อไหน ถ้าฟังธรรมะประเด็นใดถ้าคุยธรรมะกับใครแล้วรู้สึกว่าฝุ่งซ่าน้อยลงก็แสดงว่าธรรมะยังดีอยู่ไม่ล้าสมัยตามการศา ส, สนายังเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตคุณพระที่ไหนจะศึกหาลาเพศพระที่ไหนจะถูกเปิดโปงว่าไม่ใช่พระก็จะไม่กระเทือนเรื่องดีที่สุดในชีวิตคุณเลย